ขอให้ทุกคนทุกท่านงจงเจริญสติสร้างความรู้หรืรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปน ม, มือฟังไปด้วยน้อมสำเนียกไปด้วยวิธีการสร้างความรู้ตัวซึ่งเรียกว่าสติรู้ให้ต่อเนื่องเรียกว่าสัมั ชัญญะมีความรู้ตรวทั่วพร้อมลองสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็พ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวอย่าไปบังคับลมหายใจปล่อยให้เป็นการหายใจแบบธรรมชาติหายใจยาวก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่หายใจสั้นก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่อันนี้เป็นแค่เพียงการ เจริญสติให้มีให้เกิดขึ้นที่กายของตัวเราเราจงพยายามสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่รู้จั ก, จกที่พอรู้ตัวปุ๊บก็รู้สัมผัสของลมหายใจปับ๊บรู้ให้ต่อเนื่องใจจะเกิดปรุงแต่งส่งไปภายนอกถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเราก็จะเห็นเห็นการเกิดของใจบางทีก็อาการน้องความคิด ภาษาธรรมท่านเรียกว่าอาการองขันห้าความคิดที่ไม่ได้ตั้ ง, งใจคิดผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมแล้วก็ปรุงแต่งส่งไปด้วยกันนั่นแหละใจรวมร่วมกับขันห้าซึ่งเป็นส่วนนามารมนั่นแหละคือความหลงความหลงในระดับหนึ่งความหลงระดับละเอียดลงไปเรื่อยๆการเกิดของใจนั้นนั่นคือความหลงอัารมณ์ลึกถ้าไม่หลงก็ไม่เกิด ใจหลงมาเกิดมาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองแล้วก็ไปปรุงแต่งต่อไปอีกแล้วก็เป็นธานตุของกิเลสกิเลสหยาบความโลภความโกรธ กิเลสละเอียดพวกมนทินพวกนิวรธรรมต่างๆมองโลกในทางที่อคติเพ่งโทษยกตัวเองสูงมองเห็นคนอื่นต่ำทุกอย่างสารพัดถ้ากาลังความรู้ตัวของเรามีเราก็จะเห็นยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นยุกยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็พยายามทำความเข้าใจอันนี้ส่วนปัญญาไอ แต่กำลังสติของเรานั้นยังไม่ต่อเนื่องยังเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้ยังไม่ใช่ปัญญาเพียงแค่ผู้รู้สร้างผู้รู้เข้าไปเห็นการเกิดการดับของใจการเกิดการดับของขันห้าเข้าไปดูรู้เห็นการแยกการคลายซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามรู้ไม่ทันแล้วก็เริ่มใหม่เอาใหม่เพียงแค่การจเจริญสติให้โตเนื่องเชื่อมโยงตรงนี้ก็ ทำไม่ค่อยจะได้กันตีจะเข้าไปเห็นการเกิดการแยกการคลายเข้าไปดูลู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าไล่เรียงลงไปเรื่อยๆจัดระบบและเบียบของจิตใจของเราว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินตรงนี้ก็นอกจากบุคคลที่มีความเพียรมีความเพียรอย่างยิ่งยวด จงพยายามแก้ไขเรามองดูรู้เห็นใจของเราจนกว่าแจงเราจะคลายออกจากขันห้าเราก็จะเข้าใจในหลักธรรมเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าอะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคือเอเ อ, เอความเกิดความดับของวิญญาณในกายของเราอะไรคือความเกิดความดับของอาการของใจ ใ, ใจเกิดกิเลสกิเลสหยาบกิเลส ล, ละเอียดเราละได้แล้วลุยยา จนไม่เหลือที่จิตที่ใจของเราก็จงพยายามพยายามอย่าไปทิ้งลมระลุขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ค่อยสร้างสะสมบา ร, รมีของเราไปสะสมบา ร, รมีของเราวันละเล็กงดนตรีสักวันหนึ่งก็คงจะเข้าถึงธรรมอย่าฟากันมองข้ามอย่าฟากันปล่อยวันเวลาทิ้งบุญสมมุติเราก็ทําให้เต็มเปี่ยมอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุติ แต่ตัววิมุตติก็รู้กันอยู่แต่การละกิเลสไม่ค่อยได้การดับความเกิดไม่ค่อยได้นึ่ก็เลยไปเหมารวมกันทั้งก้อนอันนี้ใจอันนี้อาการน้องขันห้5อันนี้ของปัญญารวมกันไปหมดทั้งก้อนเราต้องสร้างความรู้ตัวส่วนบนส่วนสมองก็ไปดูรู้การเกิดการดับอยู่ที่กลางใจของเรามีกันทุกคนแต่และ ว, วันแต่และเวลาบางทีก็มีเยอะเอาชจริง ถ้าเราจเจริญสติแค่เข้มแข็งไปดูรู้ให้เท่าทันเราก็ยิ่งเห็นเยอะยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็พยายามทําความเข้าใจรู้ความเป็นจริงแล้วก็ค่อยละเท่ะเล็กแล่น้อยอบรมใ จ, จเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลาการเกิดเป็นทุกข์เราก็พยายามดับความเกิดการเป็นธาตุของกิเลสเราก็พยายามขัดเก่ากิเลสเรารู้ตั้งแต่ชื่อของเขาแต่หน้าตาอาการ เขาเป็นอย่างไรตรงนั้นเราเข้าไม่ถึงเลยแถมกับส่งเสริมไปเลยขีเลศเกิดขึ้นที่กายใจเราไปร่วมหรือไม่หรือว่าเกิดขึ้นที่ใจปรุงแต่งไปไม่กันหมดทุกคนอยู่ในกายของเรานี่แหละพยายามจเจริญสติเอาสติปัญญาไปใช้การใช้งาน กิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ละเราก็ดับเราต้องทําความเข้าใจให้ได้เสียก่อนถ้าใจคลายออกจากขันห้าเราก็จะเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจในเรื่องวิบากของกรรมกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมใหม่ถ้าเราทําความเข้าใจได้ทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนก็เป็นแค่เพียงอ ร, ยริยาบทกิเยา ของกายของปัญญาเข้าไปทำหน้าที่แทนยังประโยชน์ของสมมุติให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ทางประโยชน์ของสมมุติเราก็ทํามาที่อันนี้คือโา ก, กท็ทําอันนี้ปัจจัยสีที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เราต้องจัดระบบเราเบียบภายในของเราให้เรียบร้อยการเกิดของใจเราก็ไม่ให้เกิดใจเป็นธาตุของกิเลสเราขัดเกลกิเลสทําในสิ่งตรงกันข้ามเขาช่วงใหม่ๆก็น่าเบื่อหน่ายถ้าเราจเจริญสติเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายวิเวกเป็ น, น, น อ, ปอย่างนี้ต่อไปหน้าเขาใจวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกจ า ก, การเกิดวิเวกจากกิเลสวิเวกจากขันห้ามจะมีตั้งแต่ความสุขเราจะฟังเผอให้กิเลสตัวไหนเราเริ่มใหม่ฟังเผลอให้กิเลสตัวใหม่เริ่มใหม่ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้อยู่ด้วยปัญญาทําด้วยปัญญาชี้เหตุที่ผลศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลมากที่สุดเหตุผลทางด้านสมมุติก็มีเหตุผลทางด้านวิมุตคือการเกิดการดับการแยกการคลายทําใจให้บริสุทธิ์ถ้าเราเข้าถึงเราจะรู้ทันทีว่าพระพุทธองค์มีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงท่านได้ตัดสู้เรื่องของชีวิตหลักของอริยศาสตร์ความจริงอันประเสริฐสีด้วยการขัดเกลอกิเลส ท่านพรีนเนบบอกแนวทางเอาไว้ให้หมดทุกอย่างเป็นเชแต่ว่าพวกเราจะดำเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่จุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตอยู่ที่ไหนนี่เราก็ต้องดูทั้งพระทั้งชีนี่ก็ปรารถนาที่จะมาหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพ้นทำความพอใจกับสมมุติอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านแล้วก็พยายามเพิ่มความสมัครสมานสมัสมสมคีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ปรับสภาพใจของเราให้อยู่ในความอ่อนโยนให้อยู่ในความหนักแน่นกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็พยายามละไม่มีอะไรมากเลยกายของเรนี่แหละสนามรบเป็นอย่างดีไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเราพยายามรบกับกิเลสคัดเกากิเลสให้มันหมดจดเราก็อยู่ด้วยปัญญาจะลุกจะก้าวจะเดินทำอะไรเราก็อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้บุญตัวใจนั่นแหละคือตัวบุญ แต่เวลานี้เขาทั้งเกิดทั้งหลงทั้งหลงทั้งเกิดสรัพัดอย่างใจก็เลยมืดมิด ด้วยอำนาจของกิเลสเราพยายามมันเจริญสติเข้าไปอบรมขัดเกาวจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้สักวันหนึ่งเราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่สอนเราไม่อบรมเราไม่มีใครจะอบรมให้เราได้เลยนอกจากตัวของเรา จงพยายามแก้ไขตัวเราคำสอนนั้นครูบาอาจารย์พระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบมานานเราพยายามน้อมนำมาปฏิบัติขัดเก้ากิเลตออกให้มันหมดจดเราก็จะอยู่กับบุญอยู่กับจิตที่สะอาดบริสุทธิ์มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดไม่กลับมาเกิดการพูดง่ายการลงมือการกระทาเราต้องหัดวิเคราะห์หัดสังเกตเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงก็ยังทํากันไม่ค่อยได้นี่จะเอาเรื่องแต่ปัญญาเก่าความคิดเก่าปัญญาของกิเลสโลกโล ก, โลกเข้ามาตัดสินเข้ามาแก้ไขอย่างนั้นมันไม่ไม่ใช่เราต้องพยายามพลิกแก่ของเราให้อยู่ในกระแสธรรมขาดเกา้ิเลือออกให้มันหมดอยู่ด้วยปัญญามองเห็นความเป็นจริงทั้งทรัพย์ภายนอกซับภายในสนุกสร้างขึ้นมา นี่ก็ใกล้จะถึงเดือนเมษาสงการขอขอเชิญพี่น้องเราขอขอเชิญญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสก็มาสงน้ำพระส่งน้ำพระสงน้ำพระคุณเจา้าสงน้ำแมชีสงน้าพุทธเจ้าพุกแกวันที่14ตอนเช้าก็จะได้ทำพิธีสงน้ำพระกันทุกปี วันพรุ่งนี้ก็จะได้มีการถ่ายชีวิตโครประมาณยี่สิบกว่าตัวก็มาร่วมกันอนุโมทนาสาธุร่วมกันอันนี้สงแห่งบุญเราอย่าไปทิ้งบุญมากบุญน้อยเราก็พยายามฝักใยสนใจทำความเข้าใจด้วยอำนาจแห่งบุญนี้แหละก็จะส่ง ให้เราได้ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเรามีความเชื่อละขัดเกลกิเลสในการทําบุญให้ทานก็เพื่อที่จะละกิเลสให้เบาบางลงไปเรื่อยๆจนกิเลสไม่มีที่ใจของเรานั่นแหละจนเข้าถูกความมืดสุดของใจของเราเหมือนเดิมมีโอกาสก็บอกกล่าวพี่น้องเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดการเวลาเปิดอย่าไปปล่อยโอกาสอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งทางวัดของเราก็ได้สร้างอานิสงส์ฝากว่า หลายอย่างหลายที่อย่างการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงอันนี้เราก็ดำเนินไปเรื่อยๆญาติโยมอยากจะมาร่วมก็มาร่วม ใครใๆอยากมาตั้งโรงทานก็มาใครใๆอยากจะนำนำ้ำนำท่ากับข้าวปลาอาหารมาตั้งโรงทานก็เอามาได้เลยนี่แล้วก็จะได้เกิดบุญใหญ่อีกกองหนึ่งอยู่ที่ปักทงชัยที่ญาติโยมได้ถวายที่เอาไว้ให้ประมาณ500อกว่าไร่นี่จะทำตรงนั้นให้เป็นบุญใหญ่ของประเทศจะได้สร้างมาหาเจดีย์ใหญ่เหมือนกันใหญ่กว่าที่นี่สองเท่า แล้วก็จะได้ปลูกต้นดอกไม้ให้เต็มทั้ง500กว่าไร่ให้เป็นอณิสงของประเทศไทยมีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเราไปร่วมกันวันที่9วันที่9วันที่9ไอ้พฤษภาคมก็จะได้วางศรราลิลาฤกษ์ด้วย แต่ต้นไม้ก็เริ่มปลูกไปแล้วเป็นบางส่วนปลูกต้นดอกไม้ต้นการลบประพฤก์ที่ออกดอกสวยงามต้นชมพูพันทิพต้นโคนต้นตะแบกให้เต็มป่าเข้าไปให้ไปในห้าปีสิบปีในข้างหน้าวันข้างหน้าก็จะได้เป็นอนิสงส์ใหญ่ของประเทศของป่ากอาไว้ในแผ่นดิน เดี๋ยวนี้กำลังปรับปรุงสหารที่อยู่ปรับปรุงหลายอย่างฐานพระมหาเจดีย์ก็ได้กำลังปรับตกแต่งดินเคลียร์ดินแต่การเจาะดินเอาไปสำรวจนั้นก็เจาะสำเร็จเรียบร้อยนี่ก็บอกกล่าวพี่น้องเราทุกคนมีโอกาสใครอยากจะไปปลูกต้นไม้ร่วมกัน ในวันที่เก้าก็ไปได้นะที่ปักทงชัยมองลงมานี่กลางคืนนี่สวยงามมากเลยทีเดียวมีภูเขาล้อมรอบหมดมีภูเขาล้อมรอบหมด จะทําให้เป็นรงดอกไม้ฝากเอาไว้ในประเทศไทยของเราต่อไปในวันข้างหน้าให้เป็นแหล่งบุญใหญ่หจะได้อัเชิญพระโพรมสารีนิกธาตุไปปฏิาทฐานไว้ที่นั่นด้วยส่วนหนึ่งพวกเรามีโอกาสก็ได้ขอเชิญไปร่วมกันเอาละวันนี้ขเขาเจริญธรรมเพียงเท่านี้ฝากกันไว้ฝากพรพ้อมๆกันฝากกันไปสร้างฐานโตทําความเข้าใจกันนะ